พระองค์มัวแต่เป็นห่วงคนอื่นแต่ไม่ทรงห่วงพระองค์เองบ้างเลยหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่แหวนออกบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ9้าปีตั้งใจศึกษาปฏิบัติจนสามารถอ่านตำราบใบลานได้แตกฉานทั้งภาษาขอมและล้านนาได้ตั้งแต่ยังเป็นสามเณรว่ากันว่าตอนอายุ13ปีเท่านั้น ขยันทำสมาธิภาวนาเงียบขรึมพูดน้อยฉันอาหารมื้อเดียวเมื่ออายุประมาณ30ปีได้เริ่มออกทุดงเรื่อยมาจนมาพบกับหลวงปู่ตื้ออาจารธรรมโมซึ่งเป็นผู้ชักนำให้ได้มาพบและฟังธรรมะจากพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเกิดความซาบซึง้งและเป็นทางแห่งการสแสวงหาธรรมะตามที่ประสงค์หลังจากนั้น หลวงปู่แหวนได้ออกธุดงไปพร้อมกับหลวงปู่ตื้อไปทางภาคอีสานข้ามไปถึงลาวขเขมรเวียดนามพมา่าทะลุกลับมาทางเหนือของไทยและวนกลับมาอีสานอีกทีหลวงปู่แหวนยังคงออกธุดงกรรมฐ า, านสแสวงหาที่วิเวกตามป่าเขาลำนาไพรเรื่อยมาจนอายุ75ปีจึงมาจำพรรษาที่วัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่ตามการนิมนต์ของพระอาจารย์หนู เพราะเนื่องจากหลวงปู่ชราภาพมากแล้วและท่านก็อาพาธต้องผ่าตัดขาที่อักเสบสาเหตุน่าจะมาจากการเดินทุดงในป่าเขาเป็นเวลาหลายสิบปีหลวงปู่แหวนเป็นพระที่มุ่งเน้นการปฏิบัติธรรมเพียงอย่างเดียวเป็นพระสายวิปัสนาไม่รับกิจนิมนต์โดยเด็ดขาดมีจาริยวัดงดงาม เทศนาสั่งสอนญาติโยมด้วยหลักธรรมะอันลึกซึ้งมุ่งเน้นการขัดเกลากิเลสจึงเป็นที่เคารพและศรัทธาของญาติโยมเป็นจำนวนมากตัวอย่างคำสอนของหลวงปู่แหวนอดีตทำเป็นเมาในวงเล็บหมายถึงอย่าไปสนใจอนาคตก็ทำเป็นเมาจิตดิ่งอยู่ในปัจจุบันรู้อยู่ในปัจจุบัน ละอยู่ในปัจจุบันจึงเป็นพุโทโธเป็นธรรมโมปัจจุบันก็พอแล้วอดีตและอนาคตไม่ต้องคำนึงถึงเกิดแก่เจ็บตายวันคืนเดือนปีสิ้นไปหมดไปอายุเราก็หมดไปสิ้นไปมันบำเพ็ญจิตบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาต่อไปบารมีต้องสร้างเอา เหมือนอยากให้มะม่วงของตนมีผลดกก็ต้องหมั่นบำรุงรักษาเอาไม่ใช่แห่ไปชื่นชมต้นมะม่วงของคนอื่นต้องไปปลูกไปบำรุงต้นมะม่วงของตนเองการสร้างบารมีก็เช่นกันต้องสร้างต้องทาเอาเองภายหลังหลวงปู่แหวนได้หยุดชีวิตทุดงขวัต พำนักประจำอยู่ที่วัดดอยแม่ปังจนมรณภาพในวันที่2กรกฎาคมปีพุทธศักราช2528สิริอายุรวม98ปี